คุยกันก่อนต้นคือวิชาสัมพันธ์วันนี้เราก็ไม่อยู่ <c oughs> มีสองงานจชามาจันเจ็นก็ไปเชียงดาวกล <c oughs> ับมาวันห้าโมงเย็นป่าเ ม, ามื่อไหตันเย็นวันนี้จะไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน พรุนี้เช้าไปเช้าตัวไปต่างจังหวัดที่สี่ที่ห้าออกไปลำบูรลพูเย็นยี่แปดพันกว่ากิโลสวดมนเย็นยี่แปเช้ายี่เก้าชั้นวิ่งกลับมาถึงวัดออที่สามสิบสมสิเ็หลวงปูโอเกต ไปแจ้งค่าวค่าวพวกเราสราวันที่สามสิบตันดุเป็นวันทสามสิบเ็ดเป็นปลายมันเกิดดันสาหรับนเดือนนี้ <c oughs> จากนี้ไปก็หมดไปแล้วนี่คือพระใครบอเป็นพระสบายเป็นเนาวันที่หนึ่งมีงานวันที่สองวันโกนวันที่สามก็วิสาขา เราก็เลยเตรียมตัวไปเดินทางนี่นี่ยาวเลยอาจจะเป็นสิบวันยี่สิบวันยังไม่สอือนก็ <c oughs> <c oughs> ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ในในขณะที่เรายังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์สามอย่างที่มนุษย์ควรเสราะหาก็คือ ประโยชน์เพื่อตอนเองประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์อย่างจริงก็คือพันธิพา น, านมีสามประโยชน์เนี่ยถ้าใครทําประโยชน์สามอย่างนี้ครบหมายคก็ว่าเกิดมาแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์จากการเกิดเกิดไม่เสียเกิดประโยชนเพื่อตอนเองประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็หมายคก็ว่าเรา สามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เป็นที่ยืนเหนือคนอื่นได้ม้แต่ฝ่ายโลกก็ต่างฝ่ายธรรมก็ต่างดูแลฝ่ายโลกเขาพึ่งว่าอาศัยได้เป็นกําลังเป็น เ, เรือเรงอย่างนี้ก็เรีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่สำคัญคือประโยชน์ภายหน้าประโยชน์ภายหน้ากันมาคือว่าหมดลมหายใจแล้วมันก็เรียกเประโยชน์ ประโภาชนะก็เกิดจากประโยค์ยปัจจุบันนี่แหละถ้าเราไม่ทําประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์านะก็ไม่มีเราเรียกว่าประโยชน์ทําตัวให้เป็นประโยชน์มันก็ตรงขา้ขามกับไม่มีประโยชน์คือเราทําตัวไม่เป็นประโยชน์สุดท้ายเัาไม่มีประโยชน์อะไรมันแตกต่างกันก็อจำกัดในนั้น ศาสนาพิธีที่เราทำมาทั้งหมดก็เป็นกณรศึกษาเป็นตัวอย่างไม่เป็นศานสนาธรรมที่แขวงไว้อยู่ในนั้นเชิดบ่ไหวพระสวดมนต์สมทานศีลที่เราทำกันนี้เนื่อพื้นฐานของวิธีคิดวิธีพูดวิธีทรรมก็คือกรรมนั่นแหละวิธีบริหารจัดการกรรม สดสบบนี้อโราณอาจารย์ท่านวางแผลนงนี้ก็วิธีคิดกาหาที่พึ่งหาตัวเองก็คือไหวพระอ่านสนมาสวาคาโตสุตติปันองก็คือพรัตนาใจนั่นเองแล้วพูดง่ายๆเพราะนั่นสิ่งที่เราพูดมาเป็นสิบชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีก็คือการพาลานาพลานาคณของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระรูปทรง ก็จริงจะได้จเสิ่งเหล่านี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่ได้เข้าถึงใจมากนักมันกขได้แค่เปล่งวาจาไปห่าวิธีพูดแต่ก็ยังดีคือเวจาวาจาที่เราพูดออกไปนั้นมันก็ยังอยู่ในกรอบก็คืออยู่ในเรื่องของพุทอพธรรอยู่ในพระธรรมอยู่ในประสงค์หมายว่าสิทธเดง ล, ลาภานาดฉะนั้นถ้าชีวิตปัจจุันของเราเรานี่เป็นต้นแบบ หมายก็ว่าถ้าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามกวาม่ามก็หนึ่งถือพระรตนาใจหรือหนึ่งถือพระเจ้าหรือพระธรรมคือความจริ ง, <ม> ง, รงเป็น พ, นาาพระสงฆ์เป็นผู้ทายทอดเป็นทายาทไว้พระสมาทานศีลเป็นต้นแบบต่อไปคือทั้งหมดในพ่ยพรตตรตนาใจคนที่เข้าถึงได้พื้นฐานที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้นคือศีลก็มีศีลเป็นพื้นฐาน มุ่งไปที่จะาุ่งเป็นพระพระสงฆ์ของเจ้าเป็นต้นแบบอย่างดีในเรื่องเสียเรื่องธรรมพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรามาถึงการวาวาสญาณโยมกระบวนการที่จะดูคนคือแบบโลกดูแบบธรรมคือประสบดูแบบโลกเนี่ยดูยังไงดูแบบธรรมดูยังไงเขาก็ดูความดูแบบโลกเป็นต้นือการเสียสละ อันนี้อยู่แบบโลกนะอยู่แบบธรรมคืออยู่แบบมีศินอยู่แบบมีวินยัยยังไม่ได้เข้าถึงธรรมเราพูดแค่ศินกับวินยัยซึ่งจริงมันตัวเดียวกันอยู่แบบโลกอยู่กับแบบเสียสละต้องมีการเสียสละอยู่ดีว่าทานมั่งจาคมั่งสละออกจากใจไม่งั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตมันก็จะยึดเอาหมดว่านี่ของเราเป็นสมบัติพุทสถานหรืออะไรก็แล้วแต่ กายเป็นสมบัติของตัวเองไปหมดไม่ใชมาเที่สละคือให้จากะคือสละออกไปบริจาคะคือเพิ่มการบริจาคมากขึ้นนักถึงการบริจาคมากขึ้นอะไรก็ได้ที่มันผลพระโยชนทานจึงเป็นสั ญ, ญลักษณ์การให้กันอย่างน้อยที่สุดคือการแบ่งปันการแสดงด้วยกันมีน้ำใจในความเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่ต่อกันและกัน การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคนกับคนวันคนกับพระคนภาษาอังกฤษก็คือโลกกับธรรมเป็นตัวเชื่อมผู้ให้กับผู้รับถ้าเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์จะเป็นเรื่องดีมากถ้าผู้ให้เจตนาดีบริสุทธิ์แต่ผู้รับเจตนาให้บริสุทธิ์เราก็เห็นกันอยู่ทุก ว, วันนี้นไม่แต่การทานเรื่องถวายของพระ ถวายเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้ถวายถวายด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ผู้รับไปแล้วใช้แล้วมันไม่บริสุทธิ์ใจเราก็เห็นกันอยู่เป็นข่าวม้างเยอะแยะนมัถวายเสร็จแล้วกับฝังดินไปเก็บเรื่องพวกให้ขอให้ด้วความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสิ่งเราเข้าไปแล้วจากะสละไปแล้วมันสําเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไร นั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราส่วนของเราเราสำเร็จประโยชน์แล้วเราคิดแค่นะ้ส่วนเริ่มเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษไม่เกี่ยวอะไรกับเราตัวเราสาเร็จแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ชนถ้าเราไปคิดเราพ็จะเสียประโยชน์กลายเป็นกิเลสคือความหมองมขอ ง, องใจบุญแท้แต่แทนจะได้เป็นร้อยมันก็ลดลงปริมาณมัก็ลดลงเพราะว่าความที่มันคิดมากอันนี้คือตัวอย่าง เล็ก น, น้อยยกให้เป็นตัวอย่างของเออระหว่างเราคนกับพระเนี่ยเขามองกันยังไงอันนี้คือพื้นฐานทั่ไปพรัชญาตระ น, ระรนตรใจจึงเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่ามาตรฐานในโลกนี้ถ้าเราหยิบนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงนี้ถ้าเป็นสินค้าอันนี้แหละคือสิ่งค้าที่มาตรฐานถ้าเป็นเรื่องในโลกนี้ก็มีสาเรื่องแค่นี้มาตรฐานนอกนั้นพึง่งพาอะไรไม่ได้เลย หมายหมายว่จิตใจพึ่งได้เฉพาะที่เรามีชีวิตอยู่หลังจากนั้นพไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระรตษฎร์ไตเป็นที่พึ่งเป็นหลักของชีวิตจริงๆจะเป็นเรื่อึ่งที่ดีแต่นี้เราจะพึ่งสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของพวกเราเพึ่งได้อย่างไรก็อยู่ที่วิธีคิดนี่แหละก็อยู่ที่วิธีพูดแล้วก็วิธีทํารือการกระทํา สามเรื่องกันเนี้ที่นําความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจยินดีเสยเสียก็มีก็สามอย่างกันนี่ยมันนี่ไม่เยอะเลยเราบริหารจัดการของเรานี้ไม่ดีมันก็นำควาไหนะมาสู่เราแต่ถ้าเราบริหารจัดการดีพัฒนาหรือพัฒนาหรือภาวนามันก็เกิดขึ้นภาวนาไม่ได้แปลว่าน่าระงมรหลับต่างอยากจะเข้าใจ ภาวนาแปลว่าทําให้มันมีมันเป็นมันดีขึน้นเจริญขึ้นนะพูยๆมันดีขึ้นก็เอาตามลําดับเรียกว่าภาวนาเ ก, กิดการหลับหูเราตาเป็นวิธีการเป็นวิธีการวกก่าการภาวนามันก็แตกตามหลากหลายขึนไปทีนี้มาดูเรื่องแค่วิธีคิดเราคิดเองอมันคงจะยากในคือหลักง่ายๆ แต่ก็กไม่ได้แปลว่าเราดูถูกดูมินดูนแค้นทีนี้นถ้าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักคําสอนมันเยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะจำทั้งหมดได้เป็นรเราก็จําของพ่อแม่ครอวจ้างแต่เป็นยุคปัจจุบันมันทุกเดียวนี้สมัยนี้ที่เราจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ห า, าตนต่อได้สมมตินในยุคปัจจุบันเช่นเรื่องปัจจุบัน การใช้ทําให้เป็นประโยชน์ก็คือเราโอบขณะที่โโคือน้องก็อาจจะเองฟังอะไรก็ตามคือได้ยินเลยมาก็ตามในชีวิตประจําวันแล้วลองลองมาคิดด้วยตนเองดูงถ้าจะคิดไม่ได้ก็เอาคําสอนของครูบอาจารย์สักประโยคสองประโยคสยักเ ร, รื่องสอเรื่องก็ได้เอามากบคิดอภิรณาว่าทิ่ท่านครูอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นอุปหะบุไวอย่างนั้นมันมีประโยชน์แต่เราทำยงไง ถ้าเรายังคิดไม่ได้ยังนึกไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เอาอยุตัวอย่างยงง่ายมันยุคปัจจุบันเอตการบ้านเบืองสมมติว่าเอกุการบ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ลงตัวแต่เราก็ไม่ไปทำปฏิสัมพานอยู่ที่วิธีคิดในเมื่อมันไม่ลงตัวเร้จะโอย่างไงครู อ, อาจารย์ในวันนี้ยกเอาการพูดของลูกบูชาเป็นหลัก ดูบชาเป็นนักปรัชญาเป็นนักคิดนักคนนักผูก้คำพูดของท่านไม่กี่คําไม่ผิดประโยค์ด้วยกันอุปมาอุปมยัยรูุ้ทูปผ่องไปหมดไม่กี่ประโยคกันะเอาไปแช่กชันดิชไปจําบัญทัศน์ในความเป็นจริงสมมุติว่าตอนนี้อย่างเรื่องอย่างนี้ที่มันเป็นยูทุกวันนี้กําลังเลือกกำลังเลือกพ่ อ, อหน้าย่างนี้กบเลือกนายตอนนี้ นันทธาเราคือปบเลือกนายนั่นแหละวิธีคิดรู้ปู่ชาติท่านก็บอกว่าถ้าอุปมาอุปมาให้เราแมลงวันกับพึ่งพวกเราคงจะรู้จักกันเจ้าแมลงวันกับพึ่งนามันเลือกเลแมลงวันมันกวนเสนอเจ้าแมลงวันมันก็รู้อยู่แล้วมันชอบของเหม็นมันไม่ได้ชอบของสะอาด นั่นคืออาหารของเขาหลายเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังอุปมาอุปมัยเขาชอบข้าเหนียของวเม็ดจ้ามลวันชมมร็งพื้นก็ชอบของหวานมันก็ไปคนลรถนาเฮ้ยเจ้ามลเร็งพืชกับเมลงวันมันเลือกอาหารอันนี้มาเลือกตัดสินใจมาต้องเลือกว่าไปมากครน้อยใครเลือกทางไหนก็เหมือนกวิธีการลงคะแนนเสียงนี่แหละ ลงคะแนนกันเสร็จแล้วครับสุดท้ายแมลงพึ่งมุ่งชนะผมแมลงพึ่งบอกให้เลือกขี้แมงวันเขไม่ได้เลือกเาไม่ชอบสรุปแมลงพึ่งมุ่ชนะแปลว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าแมลงวันในขนาดนั้นแมลงวันเยอะจำนวนเ็เยอะกว่าแมลงพึ่งในขนาดที่เลือกมันน้อยแมลงวันมุ่ชนะ ก็แปาลาแมลงพึ่งต้องกินขี้หรือเปล่าถ้าเอาตามหลังนี้นั่นแปลว่าคนที่คนส่วนใหญ่เราตัดสินใจอย่างนั้นก็แปลเป็นที่ถูกต้องทั้งหมดคนแมลงพึ่งอีกจํานวนมากมาหาศารยังไม่ได้เลือกยังไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยก็ต้องลอยตามไปด้วยนี่คือกติกาอย่างที่เราเป็นอยู่นี่นะอันนี้เราพูดบอกมองแบบเป็นธรรมะนะแต่ถ้าจะเลือกเอาอย่างนี้เป็นกรณีศึกษาก็แปลว่า เราก็ต้องเลือกทำาแรงวันจำเป็นต้องเลือกทำมแรงวันอย่างนั้นเลยถ้าเอาบุาาาคครประชาธิปไตยคือคนส่วนใหญ่เลือกมาแต่ประชาชนที่ประทยคือความเป็นใหญ่มันมีอัตราที่ปไตยอยู่ด้วยธรรมมาที่ปไตทายดยโลกาที่ปไตทายจะ อ, อะไรเป็นใหญ่เลยนะอัตราที่ประทายเอาตนเป็นใหญ่เอาโลกเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่จะอะไรเป็นใหญ่ เราไม่เอาทําเป็นใหญ่เราเป็นอัตตาคือตนเป็นใหญ่เอาโลบเป็นใหญ่ที่เดิมเราไม่ใช้มันก็ได้เป็นอย่างนี้ยนี่คือการศึกษาเป็นตัวอย่างครับ่ะถ้าเราได้ยินที่ฟังลองดูก็กลัวใจนะโอมาอุปมาเนี่ยโอสุดยอดจริงๆนั่นคือเราสามารถที่จะมาตัดสินใจในการลงชีวิตได้ในการตัดสินใจไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่โลกเสียงเราจะต้เป็นผู้ชนะอะไรต้ถูกต้อง เสมอไปนั่นคือกติกากติกาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอรบไม่จะไม่ขอรบแต่ว่าเราก็ไม่ต้องทําตามมาตัวอย่างเป็นบางเรื่องนี่เหมือนกันอื่นๆที่อยู่บนโลกแบบ น, นี้เราสามารถที่จะอุปมาอุปไมยเพื่อเกิดสติปัญญาในชีวิตประจําวันเยอะแยะมากมายที่พามาก็ไม่ในชีวิตผ่านม า, ามาขาวบผ่านมาทางตาผ่านมาทางหู จะเรียวกว่าการติดต่อคือตัวเชื่อมนั่นแหละเอาเราเข้าใจสัตว์สิ่งเหล่านี้เช่นเกิดแก่เจ็บตายสมบูรณยกแค่สี่คำขึ้นมาพิจารณาในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาเราใช้คํำว่ า, าอย่างนี้เราพิจารณาว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีเฉพาะคนสัตว์เขาก็มีแต่การเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์กับต่างกับมนุษย์อย่างไรเอา ง, ง่ายๆตอนนี้เหมือนกับ กุ้หอยปูปลาที่อยู่บนถ้วยบนจานตอนเด็กไม่หมด น, นั้นเขาก็มีการเกิดเจ็บตายเหมือนกับเราแต่ข้อดีของเขาก็คือการเกิดเจ็บของเขานั้นสุดท้ายกลายเป็นอาหารของคนของมนุษย์มันเป็นประโยชน์นะเขาไม่ได้ตายเปล่าตายเปอย่างเราแต่มนุษย์ไม่เคยคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราเขาคิดแค่าเป็นสัตว์ไปตั้งข่าวว่าเขเป็นสัตว์ ก็เองดีกว่าแต่หารู้ไหมว่าตัวเองรอดชีวิตทุกวันไม่ได้กับเพราะเขานะ่ะก็เพราะกุ้งหอยปูปลาช้างแมาคอยนี่แหละเรารอดชีวิตไม่ได้เพราะเขาแต่เราไม่คิดไม่คิดควาเป็นบุญเป็นคุณต่อกันวิธีคิดเด็กทุวนเริ่มมีแล้วพ่อแม่ไม่ได้บุญกุญาย์เลยไม่เกี่ยวกันเลยแต่ก็จะเป็นต้องจะต้องเลิ้ยงดูเพราะว่าเป็นคนทํา เป็นผลผลิตของตัวเองนั่นใช่ไมเหมือนกับเราคิดกับสัตว์นี่แหละเราคิดว่าโกงไอ้โป้ปลาไม่คิดประโยชน์เลยเขาไม่สมามารถพูดได้ไม่สมามารถพูดได้แต่สมมติเราไปคิดว่าเ อ, อเขามีบุญมีคุณนะสะเพสตาสตาโหนโตขอสัตว์ทั้งหลายแล้วจะมีความสุขแค่นึกถึงเขาแค่แบ่งบุญให้เขาคือแผ่เมตตาเนี่ยถือว่าเป็น การเจริญกิตะภาวนาคือทำี่แจ้งเราเจริญจะไปคิดก็เราโอ้คอแค่เป็นอาหารมันนี่เืออะไรเลย ค, คิดแค่นั้นอันนี้คือเราคิดเองอันนี้คือหลักง่ายง่ายแค่คือเกิจะตายแค่สัตว์กับคนก็เอามาใช่กันเนี่ยตอนนั้นะความคิดเหล่นีน้มองคนว่าการเสียสละกับสิ่งกับวินัยที่กล่าวในเื้องต้นว่าชาวบ้านนะอยู่ที่การเสียสละแต่พระอยู่ที่ศิลอยู่ที่วินัย เราทำพระดีก็ดูง่ายอย่างนี้แหละไม่ต้องประยุกต์ดุจยากซับซ้อนเลยมาศิลเป็นตัววัดที่เราเป็นข่าวทุกวันในกระบอกอันนี้แหละศิลเป็นตัวชี้วัดส่วนธรรมวัดกันไม่ได้เลยไม่มีใครวัดใครได้ไม่เป็นนามธรรมนี่คืชื่อยกเว้นคนนั้นอยู่ในระดับเดียวกันคือระดับภูมิความรู้ความสามารถอยู่ในระดับเดียวกัน เวลาพูดคุยสนทนาจะเข้าใจกันเองแบบคนนี้ยความฉลาดภูมิชั้นของจิตเป็นอย่างไรถ้าจะรู้ของท่านเองทุกวันเราชอบไปตัดสินชอบประมาณว่ารับรองภอบสัน ง, ง่ายคนนั้นอยู่ในระดับนี้คนนี้อยู่ในระดับนู้นรับรองว่าโสดาส ก, กาตะอนาคอารังกันไปเองอันนี้คือข้อที่มันเริ่มผิด หรือผิตผิดเพี้ยนแคนที่ไม่รู้มไม่เห็นก็ท่าก็ตามไปไปเป็นพูนนี่เป็นสิ่งที่น่าอันตรายมากกว่ามันเป็นโทษมากกว่าคนและสุดท้ายก็คือเสร็จทุไหยเป็นอย่างนี้เสร็จทุไาย อ, อันนี้คืออดาาแต่เมนั้นครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่ยุคโบราณออมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้ว มันไม่มีตําแหน่คือปฏิบัติอย่างนี้นคนที่รับรองได้มีพู้เชี่ยวโอ่งเดียวตอนนั้นแต่คนที่รับรองเขาไม่แค่พูดไปเรื่อยจะพูดต่อเมื่อมันหลักฐานเป็นพร้อมพอเช่นวินยัยอาจจะพูดถึงวินัยออามาว่ามีคนทําผิดแล้วคือมีพระทําผิดแล้วท่าบอกถึงจะห้ามต่อไปอย่าไปทนะํานะคือวินยัยนี่ต่างกฎหมายบ้านเมือง กฎหมายบ้านเมืองกับสมองหัวกันกันตกลงกันเอาอย่างนี้กายมีกติกากลายเป็นกฎหมายแต่พุทธิชาไม่ใช่มันเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วบอกต่อไปอย่าไปทําอย่างนี้นะเรื่องนี้มันไม่ถูกมไม่ต้องนี่คนเสียที่มากของวินัยมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแค่กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่าเออสิท่ที่เราเสพกันทั้วั น, นตั้งตาบ้างตั้งหูมัง้ง ถ้ไมโอปนัยโกคือการฟองพิจารณาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อกลไปเหยื่อสิ่งเหล่านี้นแต่ที่สาคัญคือครูอาจารย์ท่านาให้แนวแนวความคิดอย่างนี้วิธีคิดวิธีพูดวิธนนีทำที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อตเองดู ง, ง่ายๆก็คือทำแทรกคําว่าดูในตอนนี้ก็คือคนก็การดูมันต้องเห็น เห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นกบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นตาเห็นรูปนี่เขาเรียกว่าดูดูเสร็จแล้วผลของการดูผลของการเี็นเป็นยังไงมันชอบไม่ชอบเฉยเฉยมันก็มีแค่นี้แต่เราเราไม่ได้เอาตรงที่ปลมันดูถ้าจะดูดูเสร็จแล้วก็มันมีอะไรคิดมีธีคิดที่เป็นมาตรฐานดูส้สึกแล้วมากกคือชมคือชอบแล้วก็ไม่ชอบ มือชอบมันก็ชมไม่ชอบมันก็ตําหนิตีเตียนนินทาเห็นมนสิ่งที่ชอบไม่ชอบตีเตียนนินทาถามว่าคนที่เราพูดถึงนั้นไม่ว่าจะใครก็ตามมันเป็นเรื่องสมมุติสมมติเราเราพูดถึงนายกรในเรื่องในแง่ของดีก็ตามไม่ดีก็ตามว่านายกรนั้นมันดีอย่างนั้นนายกรมันไม่ดีอย่างนั้นคําถามก็คือมันเกี่ยวอะไรกับเรา มันมีผลอะไรกับเราไม่เยี่วเลยนายกจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของนายกส่วนที่เราไปมองเขาว่านายกดีไม่ดีนะั่นคือกิเลสเรานะเราเลยไม่เห็นกิเลสเราพวกยังไงเห็นแต่กิเลสของนายกส่วนกิเลสของตนเองนัไม่เห็นแต่ไม่รู้คือโมหะคืออวิชชานี่แหละตัวอวิชชา นี่เดตัวโมหะมันปิดบังเราก็าเป็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปโทษจะไปผลักปัามจำเรื่องจิเทียอื่นมันไม่เกี่ยวกับเรามัไม่เกิดประโยชน์กับเราดูกิเลสตัวเองพอเห็นแล้วมันชอบมันไม่จะที่ดูดูว่าที่มันชอบเพราะอะไรที่มันไม่ชอบเป็นเพราะอะไรแต่มันชอบแล้วมีมผลอย่างไร มันไม่ชอบให้ผลยางไรมันมีผลประจิแจขงเราท่านั้นแต่ชอบมันก็เป็นโมหะล้มไม่ชอบก็เศร้าหมองรือสุขกับทุกข์นั้นแหละแต่จริงๆเราดมองไม่เห็นเราอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากให้มีอยากให้เป็นตามที่เราคิดตามที่เราพูดตามที่เราทำแต่มันไม่เป็นอยากที่เราคิดไม่เป็นอยากที่เราพูดไม่เป็นอยากที่เราทำมันก็เลยทุกข์คือไม่สบายระบาบน ไม่ได้นี้คือประมายเพราะนั้นถ้าเรายกสิ่งเหล่านี้มาไว้ในตัวเราหมดหมายก็ว่าเรื่องชอบปารีไม่ชอบปารีเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีไม่ดีเรื่องชั่วมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเราเองแล้วเราจะเห็นเมื่อเห็นเสร็จแล้วก็แค่ไขยี่ถ้ามันดีก็เพิ่มถ้ามันไม่ดีก็ลดถ้ามันร้อนก็ทำให้มันเย็นแค่นี้เอง ร่างกายของเราก็จะทําทให้มันร้อนมากขึ้นมันก็จะแต่ บ, บ่นได้ว่าร้อนแล้วก็ทุนทําให้มันร้อนน้ํามันอยู่ดีๆก็มันเย็นเย็นดีๆไปก่อฟืนก่อไฟเหมือนน้ําน้ําเย็นเย็นใส่หม้อใส่กระทะถ้าเป็นกีฬากระแสไฟฟ้าเอากระแสไฟเข้าไปาเป็นโบราณก็เอาฟืนเอาไฟจุดเข้าไปน้ําเย็นๆอยู่ดีกลายเป็นน้ําร้อน ทีนี้เราแยกไม่ออกสองคำน้ำกับร้อนเราแยกไม่ออกพอมันน้ำร้อนจกเราเข้าใจม่าเป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจเป็นตัวเดียวกันมันไม่ใช่ถ้าเราเรียกออกว่าน้ำคุณสมบัติของมันก็คือเย็นที่มันร้อนเพราะว่าเราทําให้มันร้อนทอํายังไรรงด้วมันเย็นถอดพักออกถอดฟืนออก น้ำที่มันร้อนอยู่ปันจากก็ค่อยเย็นธรรมชาติของมนันจิตใจของเราเนี่เช่นเดียวกันถ้ามันร้อนเมื่อไหรก็แสดงว่ า, น, าน่าจะมีเหตุอะไรที่มันทําให้ร้อนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องไปหาไปค้นดูว่าทําไมใจมันถึงร้อนปกติมันเย็นใจร้อนใจเย็นก็เพราะว่าความเย็นมาอยู่ในใจความร้อนมันอยู่ในใ จ, นนในใจถ้าเอาเย็น เอาร้อนออกมันไม่เกี่ยวอะไรกับใจเลยเหมือนกับน้ําเหมือนกับน้ำเ น, น, ำนี่ยน้ําจะเอามันเป็นสีอะไรก็หยดสีลงไปน้ำเป่าเป่าเนี่ยเอาสีเหลืองหยดลงไปก็กเป็นเป็นน้ําเหลืองเอาสีเขียวลงไปกลายเป็นน้ําเขียวพอมันเป็นเสร็จแล้วยังไม่ออกเออดูถึว่าเอ อ, อันนี้น้ําเขียวน้ําแดงมันแยกไม่ออกผู้เจ้าต้องบอกว่ า, ว า, วาน้ํา เดิมจริงๆนะเขาบริสุทธิ์เขาสะอาดจิตของเราจิตเดิมท่านหมายถึจิตเดิมประพัสดระหองใสมันดอกหอมหอมด้ยวดกยกิเลสที่หยอดลงไปสีเหลืงสีขาวสีแดงจะลงไปมันจึงกลายเป็นสีที่หอมจิตใจเร า, า, าก็แยกไม่ออกเลยนะี่ น, นี่คือประเด็นของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ถ้าเรา medical, อโอปนไโกหรือน้องปัญญาชิตประจําวันเราจะเข้าใจว่าโ อ, โอถ้า เรายัางไปเข้าถึงใจคือใจยามันแยกไม่ออกว่าสุขทุกข์มาเข้ายืในใจมันมีอิทธิพลสามารถที่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เถ้าเราปฏิบัติทำจำศีลภาวนานั่งสมาธิจนเข้าถึงใจก็ถึงสภาวะจิตใจจริงๆแล้วเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่คุยว่าจารย์เห็นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามองเห็นพยายามที่จะบอกพวกเราว่าโอ้จิตเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้นะ มันไม่ใช่เหมือนทุกวันอย่างที่เราคิดนี่นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีจัดการเนะเราจะคิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรจะพูดอย่างนี้อ่าอธิบายอย่างไรเล้วจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรต่างหาถ้าปฏิบัติไม่ได้เราต้องยอมรับผลของการคิดผลของความคิดผลของการคำพูดผลของการกระทำเราที่เรียกว่ากรรมกรังสเตวิพัฒชติคือการกระทํำผลนี้แหละ คือความคิดคำพูดการกระทําตลอ่เป็นตัวจําแนกแยกแ ย, กแยะมันจะดีหรือไม่ดีอยู่ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ในชีวิตมันหมายความว่าเราคิดได้ด้วยตนเองมระหยัดตังเราสามารถที่จะรังับดับคาพูดได้ตนเองแล้วลงมือปฏิบัติคือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้อืดด่นเ ด, ดือดร้อนนั้นละประโยชน์เกิดขึ้นเราจะเข้าใจโอา คุณคาขอการเกิดแก่จะตายเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มันมีประโยชน์มหาศาลและความแตกต่างก็คือสัตว์ก็เกิดมาตามธรรชาติเขาพัฒนาไม่ได้แต่พุทธจตรงแค่นี้แต่มนุษย์เรามันไม่ใช่มันพัฒนาได้มันทําให้ดีวกว่าเก่าได้ทำมันเจริญได้แต่ถ้าให้พัฒนาเลยมันก็ไม่ต่างอะไรมันไม่ต่างอะไรก็สิง่งเรานะไม่ต่างกับกุ้งหอยปูปลา แต่สิ้นหนักก่นั้นก็คือเวลาตายแล้วใช่อะไรไม่ได้เลยนี่ขคเมีแต่พวกสัตว์ตอนนั้นจ้องการถ้าพูดเก็บยาสมมติเราคนตายแล้วไปทิ้งป่าชา้าทิ้งป่ า, ม, ามันก็เป็นอาหารของสัตว์พูดง่ายเป็นเท่ากนของสัตว์เท่านั้นเองเหมือนกับเข้าตายก็คิดว่าเป็นอาหารแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นของเน่าของเหม็นของเสียมันเป็นแค่นั้นเอง ปรัถ้าธรไม่คิดนี่ไม่โอบรณญจโก้ดังโอ้ทำให้สอนตัวเองอย่างนี้ทุกวันในจะมันมันลำบากนะถ้าจิตไม่เจริญนี่มันลาบากคนที่ไม่เจริญคนมายั้งจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญเพราะไม่คิดมีดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญแต่คนที่เจริญคือคิดดีพูดดีทำดีคือเจตนาอยู่ที่ไหนก็เจริญ เป็นคารวะนะโยมก็จเจริญเป็นพระสงฆ์องเนก็จเจริญ น, นี่คือความเจเริญเพวัะ น, นั้นก็เพรดท่านหลายก็ให้นึกสิ่งเหนี้ในชีพประจําบันบ้างเราก็ได้รับประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเหมือนพระแม่ครูอาจารย์เหมือน พ, อพอาาระพุทธเจ้าวินศิลที่เราทำมาเป็นมนาตรฐานเหลือพระราชทานใจเป็นสินค้าเป็นเรื่องเป็นของมีค่ามากกว่าของมีค่าใดๆในโลกนี้ ค, คือคุณขพระรัตนใจคือคุณของพระพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์แค่นี้ประเสริฐที่สุดแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจของเราทุกวันเราก็เชื่อว่าเป็นของเรามีของมีค่าติดกายติดวาจาติดใจทุกวันแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยแสดงว่าวันนั้นในขณะนั้นตัวเราก็ไม่มีค่าอะไรเลย คือมีราคาเลยเมื่อเราไม่มีค่าก็ไม่มีใครต้องการเราเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีค่าเรามีค่ามีราคาเหมือนสิ่งของคนอื่นเขาจะต้องการเองเขาจะร้วรอืเองนีคุณสมบัติของคนดีเหมือนพระสองฆ์องค์นึงครูบาอาจารย์ถ้าท่านเป็นคนมีค่ามีราคาเขาต้องการเองบุคคหลหราไหลไปมาไปกราบไปไหว้เพราะว่าท่านเป็นคนมีคุณค่า พร้อมด้วยคุณสมบัติของพระรัตนตรัยคือคุณสมบัติเหมือนพระพุทธเจ้าคุณสมบัติที่เป็นพระธรรมคุณสมบัติที่เป็นพระอริยะสงฆ์นั้นก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเขาไปหาเองเข้าไปกล่วาวเขาไปไหว้เอง น, นนี่คือคุณสมบัติของคุณเอง ว, วันนี้เป็นวัดพระก็ทํากายของเราให้เป็นพระธรรมาจารย์ให้เป็นพระทรามใจให้เป็นพระการมาวัดนั้นเรามาทําบุญรัตบุญกับใครรัตบุญกับพระ จะไปสนใจเรื่องรอบตัวรอบข้างมากมาจนมากเกินไปบางคนมาแล้วไม่มาดูพระไม่ดูไม่มาดูหลักการมามาดูหลักกูมาเสร็จก็เก็บเอาหน้าไปคิดเก็บเอน้นไปพูดเก็บวันนี้ไปทำมันไม่ใช่ทำไม่ใช่เรื่องระมาวัดเนี่ยธรรมวัดจริงๆขึ้นมาดูพระมาดูเป็นตัวอย่างไม่มาดูจา บ, บ้านก็มาดูพระมาวัดแค่นี้แหลจบถามว่าออกแกวัดไปแล้วได้อะไรนั่นแะ คือประเด็นแต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยคนนั้นกว่าไปดีคนโน้นกว่าไปดีคนนไม่ได้อะไรเลยคุณจะมาทําไมนั่งอยู่ิบัติเฉเฉยมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นทษของคุณเลยมันจะดีกว่าด้วยซักรไป น, นี่คือหลักฝ้ายของเราคิดเพื่อเป็นแนวแนวนั้นคือแนวนึกแนวคิดนำประสบการณ์ไปปฏิบัติเราไปเชื่อเป็นชาวพูทธที่ดีหรือสามารถคิดเองได้พูดได้ทําเองได้อยู่ในกรอบอยู่ในรูป อ, ป อ, ป อ, ปอกติกา ถ้าเรามาแล้วเออเราคิดได้วันที่ท่านพระท่านพูดอย่างนี้ท่นยานแสดงอย่างนี้ท่านบอกอย่างนี้ก็อเอาไปคิดพิาจารณาแล้วก็ลงปฏิบัติเราก็จะรับประโยชน์อย mm. งนั้นก็ไม่จะรับประโยชน์อะไรเลยอันนี้คือสารธรรมสำหรับฝากพวกเราช า, าวันนี้ซึ่งแต่งวันแต่งเวลาเวลามันน้อยเวลาไม่ตรงกัน mm. ก็ฝากทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละเก็เป็นแนวในการปฏิบัติก็จะรับประโยชน์ จากการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ได้รับประโยชน์จากการเาวัดฝึรทำจำสิภาวนาก็ได้รประโยชน์กัทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเป็น